แ่มันมาหลายพันภาพเลยตอ่อเนื่องตยก็เออต้องอกกอจิตอ่ะต้อง อ, อ, อ, อ, อยาต่องหนุกมึงได้ยังอะมึงยังเหมือนกันมึงได้ขี้เกียจมากไม่มีความเพียนเนี่ยเฮ้อหงอไรหงอหองเนี่ยเดี๋ยวประมาทนะไม่ประมาทนะเออต้ประมาทที่สำคัญนะ อย่าคิดว่าเราดีนะทุกคนนะคำว่าดีเนี่ยขนาดใดที่เรายังไม่ถึงไม่ได้ผ่านจึงจะคิดว่าเราดีด <c oughs> แ้่เราคิดว่าเราดีว่าอะไรเราก็ฟังมา